รักษาใจใ ห, ให้ให้เป็นปกติไม่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายจะรับอะไรก็ตามน่าพอใจไม่น่าพอใจก็ตามก็รักษาใจให้เป็นปกติงการละอาสวาททำได้หลายอย่างนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแต่ว่าถ้าเราจะจะเจริญกรรมฐานเทววิปัสสนาเราก็ต้องจับหลักให้ได้ว่ามันคืออะไระในทางพุทธศาสนาก็ถือว่า